ไม่มีใครมีคำถามค่ะมันหลุดแล้ว <c oughs> อาจารค์คะโวมขอโอกาสค่ะมีคนฝากโยมถามมาฝานญาติธรรมคือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งใช่ไหมคะและว้วก็มีลูกอยู่หนึ่งคนแล้วพอลูกอายุได้สามปีแล้ว ตัวคุณแม่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวคุณแม่ก็คือโทษลูกกับสามีว่าเป็นลัศน์โตไม่ดีอะค่ะตัวตัวอนะไรเงี้ยเป็นเหตุที่เขาเป็นเช่นนี้แล้วเขเก็โกรธแค่ด่าสามีด่าลูกอยู่ทุกวันทุกวันไม่อยอมละจนตอนนี้ยลูกเขาอายุสัก 20สกว่าเรียนจบแล้วแต่ตัวคุณแม่เขาก็ยังโกรธแค้นด่าอยู่ทุกวัน ท, ทั้งที่ลูกและสามีก็ดูแลภรรยาและตัวแม่ในแง่ดีอะคะ่ะทีเนี้ยจะทำยังไงให้ตัวคุณแม่เขาเนี้ยบาลงอะคะ่ะจากโทระเจริญคะ่ะมันต้องเคารพกัน <c oughs> ให้สิทธิเป็นสามีให้สิทธิเป็นภรรยาให้ความสำคัญกันนับถือว่าเป็นสามีนับถือว่ า, วาเป็นภรรยาต้องต้องต้องต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่ <c oughs> ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็แบกทุกข์อยู่ร่ำไปเราจะเอาไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน พระุทธเจ้าท่านสอนให้สามีเคารพภรรยาภรรยาเคารพสามีให้ไว้เนื้อเชื่อใจให้ความสำคัญแก่กันและกันมอบการงานให้พอดีพอดีซื้อเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวให้ย่อกย่องว่าเป็นภรรยายกย่องว่าเป็นสามียกย่องว่าเป็นญาติของภรรยายกย่องว่าเป็นญาติของสามีนี่พระุธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้นะถ้าเราไปถ้าเราไปเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุ ที่เอาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอกันเนี่ยนั่นแหละคือโทษตามมารู้อย่างไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาให้เราคิดว่าเป็นคู่บารมีเราใช้คําว่าคู่บารมีเท่านั้นอย่างอื่นมันก็เกือบตกไปหมดแล้วเอ้ยทําไมเราไม่ตัดสินใจตอนที่เราจะเลือกจะ น, น, นู่จนจะนี้จะอย่างนั้นใจอย่างนี้ แสดงว่าเราขาดความยังคิดทำไปเพราะบำเรอกิเลสตัณหานี่เลยคือโทษของมันมคุยกันพูดกันให้เข้าใจใรู้เรื่องขอขามาลาโทษกันแล้วก็สามารถหยุดได้อะไรได้แต่ก็ต้องดูด้วยเขาปกติไหมจิตใจเขานี่เป็นปกติไหม สามีไม่ผิดลูกก็ไม่ผิดแต่สามีก็ยังให้ความสำคัญว่าเป็นภรรยาสามีเขาดูแลดีแล้วลูกเขาก็ยังให้ความสำคัญว่าเป็นลูก ม, มันอาจจะมีลิ่มอะไรแหลมๆสักลิ่มหนึ่งแหละที่มันไปนสลักใจขเขาไว้แต่เราอาจจะไม่รู้ เขาสองคนนั่นแหละรู้ให้เขาถอนริมออกจากกันแล้วกันซะเขาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันได้ที่สำคัญที่สุดก็เอ้ยเรามีความเกี่ยวข้องกันนะโดยบุญด้วยกรรมเราถือว่าเป็นคู่สร้างบา ร, รมีกันแล้วกันนะสามีก็เป็นที่พึ่งของภรรยาได้ภรรยาก็เป็นที่พึ่งของสามีได้อืมถ้าเราถ้าเราเก่งจริงอ่ะเราไปเกี่ยวข้องเขาทำไม เราเหนือเกลเอ็จริงๆเราไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเขาทําไมอเวลาเราไปเกี่ยวข้องเสร็จแล้วเราก็มาอวดอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ยกโทษอะไรต่ อ, อะไรให้เขาทั้งหมดเจ้าของมีแต่คุณอย่างเดียวหรืหรือปากร้ายแต่ใจดีอย่างนั้นหรือเปล่าเออถือไปเขาเล ก, กันไปนับถือกันไปแล้วะมียเราเป็นคนปากร้ายแต่ใจเขาดี คือจะเป็นรักษนินี้ค่ะหลณเพาตามที่เล่ามาก็คือผู้หญิงคนนี้คือประสงค์แบบดีเหตุและพิการใช่ไหมคะแล้วเือื็จะดุร้ายับลูกและสามีแต่ดีกับคนอื่นนี่คือกรรมตะรอนมันกระทบแล้วมันถูกกระทบโอ้ลำบากอันนี้เลยเป็นเหตุว่าที่สามีดูแลพระค้าประคองก็ถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่ปกติ ก็ถูกต้องแล้วเขาไม่ปกติเราต้องอดต้องทนอย่างเดียวแหละกรรมของเรากรรมของใครของเรากรรมของลูกและสามีใช่ไ้มครับกรรมของลูกและสามีลูกก็ลูกก็ถูกเงอนลูกก็โดน่ะลูกเขาคุณแม่ก็เกลียดชังลูกและสามีหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณแม่เกลียดชังลูกและสามีแต่ลูกนี่ลูกนี่เกลียดชังตอบไม่ได้ ลูกเกลียดชังต่อพ่อก็ไม่ได้เกลียดชังต่อแม่ก็ไม่ได้ลูก ต, ออต้องยอมรับอย่างเดียวว่าเราเป็นลูกเนื้อหนังมังสังว่เราทั้งหมดเป็นของท่านเป็นของพ่อเป็นของแม่เราถือกับท่านแคกก่เดียวท่าเพชรหินเมชรทราย ก, ก็ไม่ได้เรื่องลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยต้องถือให้ให้หนักแน่นที่สุดถ้าเราลืมตัวตรงนี้แล้วยอย่างอืง่นมันจะพังไปหมดนะถ้าเราลืมตัวตรงนี้ยอย่างอื่นพังไปหมด โลกต้องนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่จะนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เรารักตัวเราไหมกตัวเราเนี่ยแหละคือพ่อคือแม่เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไหมไม่มีใครเอาเลือดสักหยดเลยไปเกิดในท้องแม่ไปแต่กรรมกับจิตไปสวมเฉยๆเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราท่านบอกไม่ใช่เราเราดูไปจริงๆเอามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราสัก อ, อย่างนี่ในแง่ ที่ว่าเราติดเราติดคําพูดเนาะแต่เราถือเอาเฉยๆมีแต่จิตไปจับจองเสร็จแล้วก็ถือเอาถือเอาถือเอายืดมากระทุกไปกับการยืดนั่นแหละคก็คือบัตถือบัตทุกอย่างหนึ่งถือว่ากรรมของเราก็แล้วกันดูแลประเขาประคองไปอย่างนั้นแหละที่น่าเห็นใจที่อุคือเขาไม่ปกติคือคนมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วน่ะ และคนอื่นพูดรู้เรื่องไหมนอกจากนอกจากลูกกับสามีไปพูดด้วยเนะี่ยรู้เรื่องไหมเขาตอนที่ล่าเขาดีเราดีค่ะถ้าเกิดใครมาเยี่ยงเนี่ยเขาให้เงินให้ทองเขาแต่ว่าเราเป็นสามีกับลูกจะไม่ดีแต่สามีกับลูกยังเลี้ยงดูเข า, าดูแลอย่ดีค่ะเขายังดูแลอยู่เขายังทำตัวให้เราดูแลอยู่ การนอเตรียงแล้วก็มีตังค่ะแต่เขาจะประชดประชันทีนี้ในความเป็นลูกนะคะสามารถที่จะทําอะไรที่นทางศาสนาว่าจะทําให้แม่ก็มีจิตที่แบบว่าปล่อยวางได้ลงบ้างยังยังพ่อแม่ที่มีลูกแบบเกร่าก็แถ่เมตตาให้ลูกลูกก็จะเบาลงในฐานะลูกสามารถที่จะทําตรงจุดแบบนี้ได้หรือไม่นะคะ อื <c oughs> ถ้าเราหันมาพึ่งทางพระเราก็ต้องพึ่งคำสอนแล้วหาเทพครูบาอาจารย์ไปเปิดให้ฟังเรื่องบุญเรื่องกรรมไปเปิดให้ฟังให้เขามีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ให้มันคลี่คลายจากอารมณ์ที่เครียด <c oughs> มันเป็นมันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไปเกี่ยวข้องจะเป็นยากของตัวเองจะเป็นยาิของสามีจะเป็นเพื่อนของลูกของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะยุ่งไปหมดมันจะทุกข์ไปหมดมีคนพิการสักหนึ่งคนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะเราดูแลความพิการนี่ก็พอแรงแล้วจากนั้นแล้วปากเขายังพูดได้และมันไม่ปกติปากยังพูดได้ไม่แต่มันไม่ปกตินี่ที่ลาบาก พูดบอกมาเป็นคติธรรมเป็นคำสอนนี่มันก็น่าฟังใช่ไหมพูดออกมาเป็นเหตุที่มแทงหัวใจเนะ่ะโอ๊ยมันเอาให้ใช้ความอดความทนให้ชิ่งกันแล้วกันทนเจ็บใจกันแล้วกันชนทนรับกรรมไปมันกรรมของใครของเราไปทําไมกรรมมันทําให้เรามาประจวบเหมาะกันไม่มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้จําเป็นต้องได้ก้มหน้ารับไป เคเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งตอนนี้ภรรยาเป็นอัลไซเมอร์ทำอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วก็มีโรคอะไรที่ร้ายแรงมากกว่านั้นอีกสามีถนอมจริงๆถนอมน้ำใจไม่กระทำอะไรให้กระตบกกระเทือนเลยดูแลจัดเจ็บทำอะไรเหมือนเหมือนกระทำให้แม่ของตัวเองเลยมีนะมี เขานิมนต์ไปบ้านเขาทุกปีโอ oh. ้ดูแลดูแลภรรยาดีแท้เป็นเทพพระบุตรจริงๆเราเห็นแล้วเนี่ยน่าสงสารจริงๆคืออะไรนะออกซิเจนอะไรมันไปเลี้ยงไม่ทันเนี่ยเสียไปเลยอ่าไม่ใช่อันเช้หมดเฉยๆนะไปเลย ตอนเราไปเห็นใหม่ๆยังเดินได้ลุกได้อะไรได้เป็นตัวเองได้โอ้ตอนนี้ต้องพยุงต้องประครับประคองต้องเข็นลูกก็ดูแลดีดีสามีก็ดูแลดีดีพวกเราไปมีแต่ชมให้กำลังใจสามีเขามีคนขนานี้ก็มีนี่เขามีสัจจะเราเกิดมาเรามาร่วมทางกันเออทำไมบุญกรรมของเรา เป็นเห็นให้เราได้มาประสบพบเห็นกันแล้วเออถึงข่าวของเขาเราไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวข้องกันแค่นี้หลายภพหลายชาติเราเคยเราเคยเกี่ยวข้องกันคนเรามันไม่ใช่เราจะแป๊บแค่นี้เราเกี่ยวข้องกันเราเคยเกี่ยวข้องกันมาด้วยบุญด้วยกรรมเนี่ยมันก็สนองกันไปสนองกัน่าช่วยกันไปช่วยกันมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเกี่ยวข้องกันไปเกี่ยวข้องกันมา เพราะฉะนั้นการถือว่าเป็นคู่บารมีสนหรับสร้างความดีเพื่อช่วยกันพยุงให้พ้นทะเลทุกไปแต่แต่ละพบแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาตชาิดูไปแล้ววันน่ะโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจที่คนตั้งใจประคับประคองได้ได้ดีได้ดีถึงขนาดนั้น <c oughs> มีอะไรก็ไปช่วยแนะนำเขาค่ะในกรมีนี้น่าเกิดว่า วุ่ให้แม่เขาบ่อยๆมันจะช่วยได้นะคะไปทําอะไรดีๆต่อหน้าแม่เขาบางทีเราแพ้เฉพาะภายในจิตเฉยๆเขาอาจจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อ ย, อยจะรับทราบไปทําต่อหน้าต่อตา ต, ต่อนุ้นต่ อ, น, ตอ น, นี้เลยพูดก็พูดใส่หูดีๆทําตําทำท ำ, ท ำ, ทำดีๆให้เขาได้สัมผัสทางตางทางหูอะไรของเขาอันนี้สงมันแรง เราอธิษฐานรับหลังเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องไอเราไม่รู้ว่าแผ่คืออะไรยังไม่รู้ละเขาเนี่คือแผลคืออะไรก็ยังไม่รู้ทางกฏธรรมไม่รู้แผกันแต่เรื่องพลังอนุภาพของจิตเราก็ไม่ปฏิเสธมันมีได้มันเป็นได้การที่เราตั้งความปรารถนาแบบนี้อันดับหนึ่งคือเราได้อันดับสองถ้าเขารับทราบเขาก็จะอนโมสนา การที dog, Noah, uh, hey, ่เราทำลับหล้างบ้างทำต่อหน้าบ้างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเอ่อีครีคามคะถามสดได้ค่ะื่นได้ไอเราจั อบรมที่วัชรธรรมผู้ที่ไปอบรมผ่านหลายสำนักผ่านโกเอนก้าสองคอทสามคอสผ่านวัดมเหยยงผ่านวัดหลวงพ่อเจริญ ผ, ผ่านที่นุ่นผ่านที่นี่ผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยแต่ที่นี่หนเหมือนที่นูน่นหรือเปล่า พวกนั้นเนี่ยเ้าเสาะหาครูอาจารย์ยจริงๆนะเวลาเขาถามเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราดูว่าเออเขาสนใจเรื่องเรื่องการปฏิบัติสมมติเราหยุดอย่างนี้ปั๊บนี่โอ้โหจดหมายเป็นแถบๆเลยแต่ที่นู่นน่ถามตอบปากอย่างนี้ไม่ได้ต้องเขียนมาแล้วก็มีคนอ่านตอบอ่านแล้วก็ตอบมันเป็นระเบียบของที่สถานที่เวลาเวลาอ่ะจานนี้ไปก็มีปัญหาอะไรก็มาอู้ เป็นหมายเป็นพับๆเลยปัญหาเป็นพับๆเลยอ่านที่นู่นแล้วก็ตอบที่นี่ <c oughs> แต่มันตอบปากต่อปากไม่ได้มันก็ไม่มันก็ไม่เผ็ดมันเหมือนกันนะอะ่คือพอที่เราตอบไปแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาก็ตอบโต้ไม่ได้ใช่ไหมเขาตอบโต้ไม่ได้เราก็เคยบอกอยบอกว่านี่คือจุดบอดนี่คือจุดบอดนี่คือจุดจุดบอดของระเบียบ แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ทีจ่จะแก้ที่จะเปลี่ยนปีที่แล้วเราบอกขอเปลี่ยนเขาก็ให้เปลี่ยนอยู่ขนาดเขาบอกให้เปลี่ยนแล้วนะเราก็ไปเปิดโอกาสอา้าททำได้ตอนนี้เปิดโอกาสได้แล้วถามพูดพูดคุยต่อหน้าได้เลยก็ยังไม่มีใครกล้าพูดคุยทั้งที่เขาเปิดโอกาสให้คุยได้กับพระผู้ที่เข้าไปอบรมพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้นแต่กลุ่มเขาเองเขาจะปิดวาจาหมดเขาไม่จะไม่คุยกัน มันเป็นระเบียบอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสรีนากับล้านสองคนเนี่ยเนี่ยที่มาเนี่ยคราวที่แล้วเขาก็ไปอบรมที่เราไปทุกครั้งเขาก็ตามไปอบรมทุกครั้งแม้แต่พวกเรารู้รู้กันเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันอะไรกันก็ดีเหมือนกันทุกคนมีงานในใจอะไรก็ทำไป <c oughs> เราตั้งหมอเขาบอกว่าเขาตั้งที่นู่นเป็นอนุบาลอนุบาลเอ๊เราตั้งเป็นอนุบาลได้ยังไงเขาผ่านโอโกเอ็นก้าสองคอสสามคอสเขาผ่านยุบวพุทธไม่รู้ต้องกี่คอสต่อกี่คอสผ่านสำนักแม่สิริกริมชัยไม่รู้กี่คอสต่อกี่คอสผ่านวัดมะเหยยมผ่านวัดหลวงพอเจริไม่รู้เท่าไหร่เทเท่าไหร่ ถ้าจะเทียบไปแล้วพวกนี้มันไม่ใช่อนุบาลแล้วมันเป็นคนโตถ้าเป็นศาสตร์อะไรอย่างอื่นแขบแวลา ด, ดินหัวเงิ น, นแข่แวลาบ ด, ดินแล้วแต่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าใครมีภูมิจิตขั้นไหนระดับไหนมันก็จะพัฒนาไปของมัน ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระยศกุลบุตรฟังอนุปุพิกถารอบแรกได้ดวงตาเห็นถรร <c oughs> พ่อออกตามหา <c oughs> พระพิจารันานไม่ให้พ่อกับลูกเนี่ยไม่ให้พ่อเนเห็นลูกไม่ให้พ่อกับ ล, ลูกเห็นกัน <c oughs> อ่อนั่งที่นี่แหล <c oughs> ะเด้ยธุรมะให้ฟัง <c oughs> ไม่พูดถึงเลยยัศษกที่ที่ตามหา นั่งที่นี่แเดี๋ยวเราจะพูดธรรให้ฟังเลยแสดงอนุปูพิกถาอีกรอบหนึ่งยักศากได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะฟังรอบแรกพอฟังรอบที่สองพัฒนาต่อไปเลยได้เป็นพระอาหารหันต์แต่พ่อของตัวเองได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าการมักระกธรรมะแต่ละกันแต่ละการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดง มูที่ฟังอยู่ในนั้นทั้งหมดฟังแล้วตกนรกก็มีตั้งอยู่ในไตราสารณคมก็มีตั้งอยู่ในพระโสดาก็มีพระสกิตาคาพระอนาคาพระอรหันตก็มีในการเทศกันเดียวกันเพราะมันพัฒนาไปจากภูมิจริตนิสัยของจิตของคนเราจะเทียบเหมือนชั้นอนุบาลที่เราเรียนนี้เราเทียบไม่ได้เพียงแต่เรายกเรายกมาเทียบเคียงพอพอเป็น ข, ข้อเทียบเคียงท่านั้นเอง แต่จะให้เหมือนทีเดียวก็ไม่เหมือนคือความรู้ของไข่ของไขรเขรู้หมดก็เหมือนอย่างเด็กอนุบาลกับชั้นปถมกับชั้นมัธยมกับพวกเราผูา้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเอาปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพูดเนี่ยเด็กอนุบาลบางทีมันฟังไม่รู้เรื่องปฐมมัธยมมัธยมอาจจะรู้เรื่องบ้างเพราะพวกเราโตมาหน่อยบางคนก็เข้าใจขึ้นหนึ่งบางคนบางคนก็เข้าใจหมดนี่คือพื้นฐานของจิตมันเป็นอย่างนี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะพึงเจริญในหัวใจของคนก็เช่นเดียวกันเอามีอะไรถามได้มีค่ะมีค่ะได้ค่เก็มักจะได้ยินเสมอๆค่ะว่าคนก็จะชอบพูดว่าทาไมอบรมธรรมะก็เยอะปฏิบัติธรรมะก็ตั้งเยอะแล้วทาไมยังนิสัยแบบพอทำงานปุกเย็งขี้บีเหมือนเดิมเลยอย่างนี้ค่ะ ทำงานอะไรนะแตทำไมถึงเวลาหลังจากแบบกับจัดปฏิบัติธรรมมาเนี่ยไมยังมขี้มโมโหเหมือนจะเลยทำงานที่เห็นแบบเอา้าเราปากร้ายแต่ใจเราดีจุมไม่กล้าจอธิบายให้อฟังยังไงเลยคับว่า <c oughs> ไอ้คำว่าปากร้ายใจดีมันมีแต่ห้านทั้งนั้นแหละมันเป็นเราเอาตังค์ของญา ของปู่ปากร้ายใจดีเออปู่ปากร้ายหญ้าปากร้ายกลัวเขาเครียดเอาตังให้เขาเนี่ยอ้างอีกแต่เจ้าของใจดีมันเป็นข้ายหัวใหญ่เขายิงพอแรงแล้วปากร้ายใจดีทุกวันเอ็กสมัยทุกวันนี้เราเราเร า, เราไปพูดดิเขาฟังไม่ออกเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขารับไม่ได้รอกปากร้ายใจดีอืม โดยพื้นเปยของจิตมันเสียไปแล้ววัจีกรรมมโนกรรมพอเราพุ่งออกไปทางวายจารวัจีกรรมล่วงไปแล้วมันกระเทือนใจอีกลวงหนึ่งแล้วไอตอนที่มันยังไม่ไม่ไปไม่เป็นไรพุงออกไปแล้วเนี่ยดีก็ดีไปแล้วเสียก็เสียไปแล้วแขะก็แฝะไปแล้วคือกรรมมันล่วงไปแล้วทางวัดจีกรรมกรรมันล่วงไปแล้วนะเหตุทำเต็มแปรแล้วเนี่ย ผลจะต้องผลจะต้องติตตามมาแน่ๆผลจะต้องตามมาแน่นอนเราไปอ้างไม่ได้เอ้ยเราปากร้ายใจใจดีอ้างไม่ได้ถ้ามาเที่ยวกับหลักของกรรมแล้วมันผิดผิดหลักของกรรม <Okay. S 1> ก็ให้ถือสิทธิ์ในการปฏิบัติทำบ้างก็แล้วกันเอ้ยเราสาปเสียสละตั้งใจภาวนาะรักษาสิเท่านั้นเท่านี้ ไปบวชชีพราหมณ์ที่นู่นที่นี่ตั้งใจภาวนาะคอสเท่านั้นคอสเท่านี้คอสก็ให้ยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองบ้าง <S 2> <S 2> อให้ยิงในศักดิ์ศรีของการปฏิบัติธรรมของตัวเองบ้างให้เอาผลมาใช้บ้างผลที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมีทำไหมเอาทำออกมาใช้บ้างตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วอย่าเอาเกลเล็ตมาทําอย่าเอาเกเล็ตมาใช้ แต่คนบางคนบางประเภทกันน่าเห็นใจคือเจริญนิสัยเป็นอย่างนั้นชุนเฉียวเครี้ยวกรากพรวดพากออกแล้วพวดพลาดออกแล้วออกไปแล้วจะคิดได้ตามหลังเหมือนปูก็บย่านี่แหละด่าลูกดา่าลามันจะพอแรงแล้วทำไงให้ตังค์เอามีอะไรอีก ก็เป็นบาปทางมโนกรมนกรมมโนคือใจใ จ, ใจคิดไม่ดี<ร> อ, อย่าลืมอย่าลืมว่าทุกอย่างมาจากใจแต่ถ้าพลุ่งออกมาทางกายทางวาจาผิดศีลด้วยทํายังไงก็ท่านจึงให้รักษาศีลด้วยให้พูดโทรพูดโทรพูดโทรพูดโทด้วยรักษาใจด้วยมันพุ่ขึ้นมาแล้วนะคอ่านั่นแหละให้ระวังถ้าระวังแล้วมันผุด ม, มาเราก็รู้พลุงไปสองสามขณะแล้วก็ดึงกลับมาพลุงไปสองสามขนาแล้วก็ดึงกลับมา ให้เรารู้จักเข็ดรู้จักหลาบด้วยกับเหตุเพื่อความทุกข์ยากลาบากให้กับตัวเราเองเวลาความทุกข์มันตามทันโอ้ยทำไมต้องเป็นเราเป็นเราแล้วเนาอเป็นเราเนาะทาไมต้องเป็นเราทำไมมาคิดถึงตอนนี้ติดทอนตกตอนที่มันใจมันตกมันตกอับเนี่ยมาคิดถึงตอนนี้ติทุกข์นี่แคม่มาทุกข์กับเราแหละเรานี่แหละทุกข์ต้องระวางังจิตนิสัยของใครของเราเหมือนกันหมดมท่านจึงให้ระวางังอดได้ทนได้ หลวงตาท่านพูดถึงหลวงปู่คาดีหลวงปู่คาดีเมื่อก่อนเนี่ยท่านใจเร็วลักษณะวัดโทสัจจริตอ่ลักษณะวัดโถสัจจริตหลวงปู่หลวงปูค่คาดีท่านก็เลยมามาพูดเป็นการเปิด อ, อกต่อไอ้หลวงตาเมื่อก่อนท่านมาหาเมื่อก่อนผมไม่ใช่นิสัยอย่างนี้นะอ่มีครั้งหนึ่งให้เนนเขาเย็บ อังสะไม่เย็บสะบงเหมืนอนกูนะเนนก็ทำไม่ดีจับไมาฉีกต่อหน้าเลยเนรร้องไห้โ ห, โหเลย <Huh? S 1> มันกระเทือนใจเนรร้องไห้กลับเลยตั้งแต่บัจนั น, นเป็นต้นมาเนี่ยท่านรักษามาจนเรียบร้อยอยู่จนจนจนจ น, จนมาถึงคราวล่าใหุตาฟังอันนี้เป็นลุทาหอนนี่ครูบาอาจารย์ท่านเด็ดขาดคนมีจริตนิสัยโทสะจริต ก็มีแต่ทำไมท่านกลับได้ต้องเจริญธรรมต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญธรรมเจริญสติธรรมเจริญปัญญาธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรต้องระวังไว้เส ก, ก่อนเกี่ยวข้องกับอะไรต้องระวังไว้เสก่อนธรรมะขันติจาระคัมันต้องอยู่ปากข้ออยู่ปากค้อใจของเราเนี่นึกภาพธรรมะข่มมันเอาไว้ ขันติอดเอาไว้จาฆ่าเสียสลอารมณ์นั้นออกไปธรรมะขันติจาฆ่าธรรมะคือขม่มกิเลสในใจของเรามันจะอยู่กับการขม่มด้วยเหตุที่เรามีการขมนี่แหละกิเลสถึงอยู่หมัดได้ถ้าไม่มีการขม่มกิเลสไม่อยู่การข่มก็คือการสํารวมการสังวรการระวังยินรีสังวรนี้ท่านให้สัมรวมยินรีสังวรก็คือบังคับนั่แหละ เราจะว่าอะไรการบังคับนั่นแหละที่จะเรียกว่าสังวรสังวรระวังสังวรระวังระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในสันดานอากุศลที่มีอยู่แล้วให้พยายามละออกไปตั้งใจภาวนา ให้ทําเกิดขึ้นในหัวใจธรรมะที่เราเพานาแล้วเจริญแล้วให้พยายามรักษาไว้ในหลักของวายามะวายามะคือความเพียรไปดูในหลักของความเพียรที่ท่านพูดไว้ในอริยมรรคดีโอเบตไปดูสัมมาวายามะคือความเพียรวายามะแปล ว, ว่าความเพียรเพียรพยายามเพียรอะไรเพียรในประธานทั้งสอย่าง สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอ น, อนุรักษ์ขณาประธานอันนี้เราเรายกหลักมาให้พวกเราได้จําไว้จะได้เป็นข้อปฏิบัติถ้าเรามีแต่คําพูดไทยๆออกไปมันมันเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยจะเน้นหนะักอันนี้เป็นหลักเป็นคําพูดของศาสนาซึ่งเราควรจะฝังจิตฝังใจเราเอาไว้เราจะไปเกี่ยงอย่าไปเกี่ยงเลยว่าเอ้ยนี่มันหลักของปริยัติหลักของปริยัตก็ปริยัตนี่แหละถ้าเราไม่เอาปริยัติมาทำเราจะเอาอะไรมาทำ ปริยัติยังไม่สําเร็จรูปต้องเอามาทำสังวรประธานระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานประธานเพียรละบาปนั้นเราทําสังวรประธานอย่างเดียวมันได้ผลทั้งประธานประธานได้ภาวนาประธานทั้งภาวนาประธานทั้งประธานประธานเรามาตั้งใจภาวนาประธานอย่างเดียวมันก็ระงับได้ทั้งสังวรประธานมันเป็นการสังวรประธานไปในตัวประธานประธานไปในตัว แล้วมันเป็นอนุรักษณาประทานคือรักษาสังสมของเก่าไว้ไปในตัวทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกันหมดทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกันหมดนี่ถ้าเราไม่ระมัดระวังถึงขนาดนี้มันก็เอาไม่อยู่ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าภาษาวรคซุนเก่ารุ่นใหม่ของใครก็เหมือนกันท่านก็อบรมบ่มนิสัยไปจากตั้งแต่พื้นๆไปเหมือนอย่างเราเนี่แหละกว่าจิตมันจะขยับ เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเห็นโทษเห็นโทษเห็นภายในสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นโทษออกจากมันไม่ได้ต้องเห็นโทษก็เหมือนอย่างร่างกายรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเราไม่เห็นโทษเราออกจากมันไม่ได้ยึดอยู่นั่นแหละแต่ในขณะที่เรายึดอยู่นั้นเนี่ยเราดูไปเลยทั้งดุ่นเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเราไม่ได้รู้จักอะไรเลย เรายึดทั้งดุนเลยเรามาพิจาณามาแยกแยะลองดูโอ้อันนี้เป็นผมอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนี้เป็นหนังโอ้อันนี้เป็นดินโอ้อันนี้เป็นน้าอันนี้เป็นลมเป็นไฟท่านให้เรามาแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะมันก็เหลือทั้งดุลอ่นั่นแหละเราเราเราเราเราอยู่นั่นแหละมันเหมือนมัดอะไรมัดสุ่มอยู่นั่นแหละการที่เราพิจารณามันก็เราไปแก้ออกแก้ออกแก้ออกแก้ออกแก้ออกอะไรคือเราแน่อะไรคือเราแน่ มันจะได้ไล่ไปถึงตัวยึดตัวถือน่ะตัณหามันพาเรายึดมันพาเราถือพอเราระงับตัณหาได้การยึดการถือมันก็หมดสังเกตเห็นไหมว่าตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันจึงไม่เกิดตัณหาเกิดที่ไรเมื่อไรอุปาทานก็ยึดเอายึดเอาโดยหลักธรรมชาติเพรามันยึดเอาตามหลักธรรมชาติเพรามันมันไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งขณะเท่านั้นขนาดตอนนี้ขณะชึกเดียวมันถึงกันหมด การทำงานของปฏิจจสมุปบาทชึกเดียวมันถึงกันหมดสายเกิดชึกเดียวเกิดทั่วถึงกันหมดพอมันดับชึกเดียวมันดับทั่วถึงกันหมดดับทั่วถึงกันหมดแต่ผู้จิตเจ้าท่านมาแยกแยะให้เราเข้าใจเท่านั้นเองทํำงานลูกศิษย์เรามันจะเข้าใจแยกแยกแยะให้เราเข้าใจท่านจึงเอามาเล่านะ่ยนะเล่าสมัยที่พระองค์เสวยวิมุติสุขอยู่เนี่ย ที่พระองค์อยู่สเสด็จอยู่ในที่เกตแห่งละเวันไม่ไม่เสวยพระกายารด้วยนะ49วันอดอาหารานั่นนะหลังจากบรรลุ ธ, ธรรมแล้วท่านท่านใช้คำว่าเสวยวิมุติสุขอ่ามันมีที่ต้นต้ น, ตนหนึ่งต้อนอะไรนะไปดูนะเราลืมแล้วแหละพะพุทธเจ้าทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทคือเหตุผลการเกิดของตัณหาเหตุผลการดับของตัณหา ทั้งสายเกิดทั้งสายดับเราไปไล่ดูอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรามาพิจรารณาไม่งั้นเราไม่รู้ว่าตัณหาเราเกิดขึ้นได้ยังไงและมันดับมันดับได้ยังไงเวลามันเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวลามันดับมันดับได้ยังไงเวลามันเกิดทุกขุมขนเนี่ยมันเป็นมันทั้งนั้นเลยชึกเดียวหกสิบว่ายางหกสิบกว่าประตูหกสิกว่าช่องเนี่ยมันจะเข้าทั่วถึงกันหมดเลย ท่านไล่ขึ้นมาเนี่ยมันมันจะรอบรอบถึงกันหมดเลยอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหวิญญาณหกภัตสะหกเวทนาหกสัญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกวิตกหวิจารหกสิบหมวดหมวดละหกหกสิบเป็นหกสิบชึกเดียวมันทั่วถึงกันหมดเราไปดูชึกเดียวทั่วถึงกันหมด ชั่เดียวทุกถึงเงินหมดมันชั่เดียวมันก็ชึกเดียวที่จิตของเรานี่แหละนี้เวลาทํางานเวลาทํางานมันดับชึกเดียวมันดับชึกเดียวมก็ดำหมดสิ่งที่สามารถที่สุดก็คือสติธรรมปัญญาธรรมของเรานะพยายามส่งเสริมมันให้มากอันนี้คือคุณสมบัติที่ติดมากับท่ารู้ของเราผู้รู้ของเราสติรรปัญญารู้ไปแล้วคือจิตเดือดดานไปตามอํานาจของตัณหา เราสงบความเดือดดาลของจิตให้จิตสงบนิ่งอย่างเป็นสมาธิแล้วก็มาพิจารณาถึงความลุ่มหลงทําไมมันถึงตามมาทําไมมันถึงพายึดทําไมมันถึงพาถึงพิจรารณาพิจรารณาจนเห็นสักต่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งท่านนั่นเองนีนก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ยังจิ้มจิตยังจิจิตยังได้อย่างหนึ่ง ไม่รู้จักไม่ต้องพูดถึงมันดอกชื่อไม่รู้จักพระัญญาโกนัญญายังจิจิสมุติญาธรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่มันเป็นการเข้าไปเห็นด้วยญาณทัศนะด้วยปัญญา ย, ยาไปจกกับจำแจ้งชัดเจนราโรสว่างโรภายในใจของผู้เข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าปเห็นรูปธรรท่านแสดงธรรมไปด้วยท่านส่งกระแสจิตเข้าไปดูด้วยโอ้ อัญญาคนอัญญาได้เห็นแล้วเนาได้เห็นแล้วเนาพระองค์ได้อุทานออกมาเห็นไหมอัญญาซิวัตโพกนัญโยอัญญาซิวัตโพกนัญโยเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกนี่คือวิชาวิชาการที่พระองค์ได้พิสูจน์ว่าวิชาการทั้งหมดที่พระองค์ได้มนุษยธรรมมาเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์เราโทษพระองค์ได้ไหมพระองค์รอบรู้ทั่วถึงหมด แต่ทำไมถึงมาได้แค่อัญญากุลัญญะองค์เดียวว่าปัตยะมหานามิธรรมนามะทำไมยังไม่ได้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พระองค์อยู่ที่พวกเราจริตนิสัยยินรียบารมีแก่กล้าไม่เท่ากันพระองค์จึงอบรมไปเรือยอบรมไปเรื่อยอบร ม, รบรมรบวันที่สองวันที่ส า, ว, สา ว, สวันที่สี่วันที่ทห้าได้ครบทั้งหมดเข้าถึงกระแสธรรม ท, ทั้งหมดยอมรับอันนี้จากทุกขังนักกาทั้งหมดการเข้ามายอมรับอันนี้นี่ มันมองไปแล้วมองร่างกายของเราเป็นอื่นไปแล้วไม่สำคัญว่ากายเป็นเราเราเป็นกายแล้วะละส ก, กายอาทิฐิได้ส ก, กายอทิฐิสำคัญว่ากายเป็นเราเราเป็นกายละได้แต่ละได้ยังไม่หมดยังไม่หมดทั้งยี่สิบไล่ไปถึงเวทนาถึงสัญญาถึงสังขารถึงวิญญาณละยังไม่ได้ทั้งหมด ละได้เฉพาะกายที่เรเรียกว่าสักกายะทิทะพติเฉพาะกายยังไม่ถึงจิตยังไม่ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลามันงานมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งกันเดียวกันเป็นก้อนเป็นแท่งกันเดียวกันจิตมันเข้าถึงด้วยสติ ด, ด้วยปัญญาความสงบมีความสาคัญความสงบยืนเดินที่ไหนพยายามดึงก็ไมาให้จิตมันสงบเถอะ ยืนเดินนั่งนอนที่ไหนพยายามดึงมาให้จิตมันสงบมีคุณค่ามีคุณสมบัติทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมไปทำมาหากินไปนู่นไปนี่มันมีสติมันมีปัญญามองเห็นมองเห็นเป็นโทษมองเห็นเป็นคุณที่สําคัญที่สุดคือมองเห็นเป็นโทษมองเห็นเป็นคุณมองเห็นเป็นบาปเป็นกรรมมองเห็นเป็นกิเลสเป็นธรรมมันมองเห็นมันเข้าใจมันทุดถึงเราพยายามทําความสําคัญอย่างนี้แล้วเรา จะได้พัฒนาชีวิตของเราไปทุกระยะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถพวกเราไม่เสียประโยชน์แต่พวกเรามากักจะลืมวันทีก็การงานรัดตัวโอ้อันนั้นก็ยุ่งอันนี้ก็ยาก น, นั้นก็แก้มาได้ น, นั้นก็แก้มาได้ยุ่งยากหนักๆเข้าศีลธรรมก็เลยลืมทิ้งไปแล้วหาแต่ใส่ปากใส่ท้องพัฒนาแต่งานอยู่นั้นน่ะแต่งานเรื่องศีลธรรมเหล่านี้เลยทิ้งไปหมดเรา ก็พัฒนาไปพร้อมๆกันชีวิตกับจิตใจต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันเราพัฒนาแต่ชีวิตเราก็ลืมพัฒนาใจเราตั้งใจพัฒนาแต่ใจมันยังพอพยุงชีวิตขึ้นไปได้บ้างแต่ผู้ที่ตั้งใจพัฒนาแต่ใจก็คือพระเราเนี่แหละนักบวชเนี่ยอนาคาริไม่มีเรือนแต่ส้าเรพวกพวกเรา พวกเราอยู่บ้านอยู่ชอ่องมีครอบมีครัวหมดโอกาสไหมไม่หมดโอกาสเราทำได้เราก็หามุมสงบเ้าไปสิภรรยาอยู่ไปอยู่พอภรรยาไปภาวนาที่วัดสามีก็ภาวนาอยู่บ้านสิสลับกันกันไปวันพระแล้วอ้าวสองวันเธอก็ไปสองวันฉันก็ไปสองวัน เวลาเข้าไปภาวนาสามีไปภาวนาที่วัดเราก็ภาวนาที่บ้านนัดกันสองวันหรือสามวันเออถึงคราวฉันบ้างเราไปภาวนาที่วัดสามีก็ภาวนาที่บ้านแน่มันได้ไหมล่ะมันไดเ้เราอยากใช้ไ ฟ, เ ร, ไฟเราก็ใช้ไฟสิพระเจ้ทาท่านไม่ได้โทษไม่ได้ตำหนิแต่ถ้าเป็นสินแปดท่านตำหนิทำไมท่านจึงตาหนิเพราะวิชา วิชาอันนี้มันเป็นวิชาที่ทําให้เราหลงทําให้เราติดง่ายมากๆอืมเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า ย, ยอดของขามยอดของขาม <c oughs> มันติดพ <c oughs> ระเจ้าท่า น, นไม่เคยให้ความสําคัญท่านจะเอามาตั้งเป็นอุ ป, ปมาโอมใหม่เกี่ยวกับคําสอนเป็นส่วนมากท่านภาณนาทุกพภรณนาโทษเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้พภาณนาไม่จบไม่สิน้น เราไปดูในพระพุทธภาสนาะท่านพูดพูดตือถึงตืเรื่องกรารมทั้งหลายเป็นโทษอย่างนั้นเป็นโทษอย่างนั้นเป็นโทษอย่างนั้นโทษตั้งแต่ตัวเราไปหนึ่งคนสองคนมีเพื่อนกรทุกกับเพื่อนมีพ่อกระทุกกับพ่อมีแม่กระทุกกับแ ม, กกแม่มีลูกกรทุกกับลูกมีใครที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับเราทุกข์กับคนนั้นเหละนี่คือความทุกข์ ความทุกข์ความยึดความกิดความเกี่ยวข้องมีอีกไหมที่ตะกี้หลวงพ่อบอกว่าที่ตะกี้หลวงพ่อบอกว่าการักควาคิดว่าายเป็นเราเราเป็นกาย เราดูให้เห็นสักจจะว่าเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้พระพาหิยะฟังพาหยะเธอจงเห็นสักจจะว่าเห็นได้ยินสัจจะว่าได้ยินได้ลิ้มรสได้กลิ่นได้สัมผัสสัจ่ะว่าสัจจะว่าคําว่าสัจจะว่าเนี่ยจิต พระพายย่านเป็นไปตามนั้นเลยศัจวาว่าหมายความว่ามันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายตัวตนมันโผล่ขึ้นมาได้ไหมตัวตนโผล่มาไม่ได้อัตตาโพลขึ้นมาไม่ได้กายโพลขึ้นมาไม่ได้ทิฏฐิการยึดของเราคือทิฏฐิทิฏฐิของเรามันพา ย, ยุทิฏฐิคือกกจิตจิตก็เกิดจากทิฏฐิทิฏฐิคือความนึกความคิด เนี่ยตัวนี้ตัวกระดูกกดิกพลิกแปลงตัวสังขารสังขารจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเป็นสังขารเป็นกองสังขารพาผลพาเนึกอพาคิดคิดยึดยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราแต่ถ้าเวลาเรามากําหนดกายสักงทำให้เป็นกายโดยโด้วยเหตุที่เราไม่ได้ลองยึดโอ้งามเหลือเกินสวยเหลือเกินสวยเหลือเกิ น, กนชุดนี้ดีเหลือเกิน โอ้อันนี้ผ่องแล้วเกินอันนี้ใสแล้วเกินเต็มตึงอวบแล้วเกินอะไรแล้วเกินแน่ติดแล้วมันติดแล้ว ว, วิธีดูสั่ให้จึงให้ดูให้เอาอสุภามาตั้งเห็นไหมเอากายะคตาสติมาตั้งเอาอสุภามาตั้งทั้งกายะคตาสติทั้งอสุภะอืสุภะสัญญาพิจารณาสําคัญมันพิจารณาให้เห็นเอาสัญญามาพิจารณาจนกว่า ตัวปัญญาตัวสัจจที่แท้จริงมันจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งกายคตาสติถ้าเราไม่ตั้งอสุภสัญญามันก็มองเห็นได้เป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเอาตัวนี้มาตั้งมาขวางเป็นโล่กันตัณหามันมาแทรกจิตของเราแต่การพิจารณาที่เราจะพิจารณาเอานั้นเราจะพยายามเข้าถึงหลักสัจธรรมโอ้มันสักจะว่าสักจะว่าจริงๆ สิ่งได้สิ่งหนึ่งจริงๆอย่างไดอย่างหนึ่งสิ่งใด้สิ่งหนึ่งเ ร, เราดูให้เลยสมมติไปจรอย่างเล็บเราดูให้เลยสมมติไปเอออันนี้มันสักแต่ว่ามันจริงๆเนื้อหนังเป็นนิ้วเป็นอะไรมันสักแต่ว่ามันจริงๆเราดูที่อะไรมันจะเกิดในจิตทําให้จนชํานานทําให้จนแคล่วคล่องจนปัญญาเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นกลายเป็นปัญญาญาต์คือญาณทัศนะ ถึงขั้นนั้นมันถึงจะขัข้นไม่กำเริบแต่พวกเรายัางยังกำเริบอยู่ก็คือข้อปฏิบัติข้อฝึกซ้อมที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติเราจะจำเป็นจะต้องฝึกต้องซ้อมสร้างบา ร, รมีของเราให้เต็มเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างนั้นแค่นี้ก็เข้าใจแล้วลสกษยุทธิธิวิหีฉาศิลปะตะปรามานวิจิกิจฉา ผู้ดีเข้าไปเห็นกระแสธรรมเหล่านี้ท่านเข้าไปเห็นสัจจะทมด้วยสติด้วยปัญญาของท่านจริงๆทั้งรู้ทั้งเห็นญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นใครปฏิเสธไม่ได้พระชนม์พระโสดาบาันท่านจึงอิจฉาศรัทธาศรัทธาแน่นหนามั่นคงนึกเหมือนเสาแปดสิบสองฝังนึกลงไปในดินเอาอะไรมาโยกมาคลอดไม่มี เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงกระแส ธ, ธรรมได้เปรียสวดาบันจึงจึงตัดอบายภูมิได้จิตนิ่งของที่ไม่ไปส่วนายแน่นอนจิตรู้ขอบเขตในการอยู่ในการเป็นไปในการทําอะไรอะไรทุกอย่างสรรพัฒจะไม่ไปทํากรรมอันเป็นเหตุให้ไปอบายอย่างแน่นอนนี่แหละอ จ, จะลัสถาอ จ, จะลัสถาผู้เข้าไปเห็นตรงนี้เห็นสัจ ธ, ธรรมไม่มีใครเข้าไปเห็นเราเข้าไปเห็นเอง เขาจะเชื่อใครเชื่อเร า, าผู้เข้าไปเห็นหเชื่อใจของตัวเองคนอื่นน่ะมันก็คือเรื่องของคนอื่นเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเองเชื่อจริงๆมองเห็นแล ะ, ะละได้จริงๆว่างจากกายจากการยึดถือว่าเป็นกายมองเห็นสักวแล้วว่าเป็นสภาวะธรรมเฉยๆนเองมันไม่ได้ยึดถือให้เป็นเหตุทุกข์ยากลาบากเหมือนอย่างเมื่อก่อน มื่อก่ทุกแล้วเกิดโอ้ยผอมอีกแล้วโอ้ยดำอีกแล้วเอามาแต้มแล้วแต้มอีกมาจิ้มแล้วยิ้มอีกอนั้นแหละเพราะอะไร <c oughs> ต้องการให้มันอยู่อย่างงั้นตลอดไปมันก็อยู่ไม่ได้โอ้ยหมองไปอีกแล้วต้องเขา้ารงเข้ารงซ่อมอีกแล้ว <c oughs> ท่านดูแล้วก็ยอมรับโอมันเป็นอย่างงี้ เห็นแล้วก็ยอมรับโอ้มันเป็นอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้ดูให้เลยสมมุติไปมันคืออะไรก็ช่างมันแหละเราสามารถเอาจิตของเราเอาปัญญาของเราไปรู้ไปเห็นสิ่งรอบข้างตัวเราน่ยเห็นสักตั๊บสักมา๊เห็นได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่เห็นสักเั๊าเห็นเหมือนต่อนะมันเข้าใจรู้ทรุบุกกรงหมดแล้ว Or, ไม่ใช่เมื่งคนตาบอดนะไม่ใช่ เห็นอ้าวเห็นเหมือนคนตาฟ้าตาฟางเห็นเห็นแต่อะไรเป็นอะไร่รู้หมดแล้วเห็นท okay. ุกเห็นโทษมันหมดแล้วยินดีไม่เกิดเพราะอะไรเห็นโทษมันแล้วยินร้ายไม่เกิดก็มันจะต้องเป็นอย่างนี้เองใช้มันเป็นยังไงอีกนั่นคนที่มีโทสะจริตโทสะจริตมันก็ไปจากตรงนี้แหละจิตของเรามันไม่ทันมัน ปุพปัไอ้ตัวนี้ออกก่อน ป, ปุบปัอันนี้ออกก่อนแต่ถ้าสาักจะตัวนี้โผล่ขึ้นมาพระมัทขวานโทสะมันก็เบาลงไปเห็นไหมขยับไปอีกพระสกีทาคาโทสะเบาเข้าไปราคะความกำลัดความยดีเบาเข้าไปยังไม่หมดนะยังไม่หม ด, ดนู่นอนาคารหมดเด็ดขาดล้วโทสะก็หมดราคะคือความกำลัดอะไรก็หมดทุกอย่าง ละได้ทั้งหมด ท, ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสญญาังขารสั่งทั้งมิน ญ, ญาณนะละได้หมดละได้ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามองเห็นสัจจะว่าเป็นธรรมชาติอย่างไรอย่างหนึ่งสัจจะว่าท่านนั่นเองสัจจะว่าท่านนั่าานเองแต่ก็อยู่ด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกันแล้วก็เอาปากของขันนี่แหละมาใช้เกิดประโยชน์เหมือพนะพระเจ้านี่ยพอท่านได้บรรลุธรรมปั๊บที่แรกทางท่อก็ใส่ โอ้จะมามละเอียดแท้ใครใคจะฟังรู้เรื่องแต่ด้วยเหตุด้วยผลที่พระองค์เป็นนักเหตุผลอ้าวเรารู้เรื่องได้ค่อยค่อยลุกฝังไปเหมือนบัวบัวสีเหล่าอยู่ในโคลนในตมก็มีอยู่ ก, กลางกลงน้ําก็มีเสมอน้ําก็มีโผล่อพ้นน้ําแล้วก็มีอ๋อคนที่คอยจะคนที่เหมือนกับบัวพ้นน้ําคอยที่จะรับแสงพระธรรมคอยที่จะรับแสงพระธรรมเหมือนแสงแดด พอได้รับปัพบบาลอย่างนี้ก็มี <c oughs> พระองค์จึงตัดสินพระไทยแสดงธรรมโปรดวิมายสัตว์น่ ย, ยอ อ, อีก ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะเอาสักสี่โมงคึ่งกันแล้วกันเอาจะหมดเวลาแล้วเราว่าจะตับไปบางอย่างเลคือโยก็ยอยู่ในสังคมมีเพื่อนมีอะไรทีนี้มันมีงานเกี่ยวกับสังคมอย่าเช่นงานขึ้นปาทเพื่อนงามาเพื่อเพื่อนงานป่ห้ิงทีนี้ แล้วก็ฟุ้งเราก็ให้ไปสักจะว่าไปก็แล้วกันเอาเราไปไปแบบไปในสนามรบก็แล้วกันรบที่นี่ยังยังไม่เก่งอ่ะทีนี้ตอนนี้ก็เลยเลียงเลียงได้เลี้ยง ก, ก, ก่อนเดีวเขชวนไปเลี้ย ง, อ, งอันนั้นก็นไ ป, ไปชวนไปเลี้ยงอันนี้ก็ไปชวนไปเต้นรําก็ไปชวนไปนุ่นก็นไปเอ๊ะทำเพื่อสังคมทําเพื่อสังคมเพื่อสังคมหรือเพื่ออะไรไปดูให้ดี เราไม่ไปเราก็เราก็พูดได้เราก็เบี่ยงได้เราก็พูดได้อุ้ยเราไม่สบายล้วก็บอกกันได้เ็ยนี้คือสงแล้วเพราะว่ากคือคือคามนี่ยถาาใจมาใจาใจว่าไปสูเลยแล้ก็ือว่าตัวเองไม่ทแต่ไม่ทงเพราะเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิท แล้วเุกจะเด็กๆแล้วเขาคุยเปนเพียงตั้งโมงถึงสามทุ่อยเงี้ยออเยอกเราก็เตือนเขาสิแล้วก็บอกเขาสิเฮ้ยมันเกินไปแล้วเพื่อนเขาไม่เข้าใจนะบางทีวกนั่งตั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็บอกอีกเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจเพื่อนเนี่ยมันเกินไปแล้วเรก็เลยไปนั่งไปนั่งการพบการเจอการพูดการคุยเราก็ทำให้เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าเกิดเราไปแสดงความรังเกียจเขาเดี๋ยวมันตีกลับนะใช่ต้องระวังนะมันตีกลับมาในแรงนะ อ, อ, อ, อ, อืมมันตีกลับมาในแรงมากมีโยมกับพระกลุ่มหนึ่ง เ, เขาลงทุนลงรอนสร้างสร้างวัดมาด้วยกัน ยอมก็ทุ่มเต็มที่เป็นห้าเป็นจิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพระก็ทุ่มเต็มที่สร้างทำมาด้วยกันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านบูจาพยายามทําจนวัดเนี่สมบูรณ์แบบได้ทั้งวิสุงคามสีมาได้ทั้งอะไรต่ออะไรนยหมดแต่โยมคนนี้ก็ชักจัดแข็งแขงแข็งขึ้นว่างั้นเถอะอ่าชักจะยิงยิงขึ้นเพราะ ตัวเองสร้างความสำเร็จมาหลายอยา่างมีวันหนึ่งแต่งตัวไม่ดีเข้าไปอาจารย์ดุให้เครียดเครียดอาจารย์ว่าว่าแค่เรื่องเดียวเรื่องการนุ่งการห่มไม่เหมาะมสมจะมาวัดนุ่งห่มแบบนี้ไม่น่าจะเข้ามาในวัดแค่นั้นเองเครียดตีกลับหมดเลย เคยลงทุนไปเท่าไรเรียกกับคืนหมดเคยลงทุนลงรอนไปท่านเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไหรเท่าไร่มันไม่ใช่น้อยๆสร้างวัดตั้งแต่ใหม่ๆจนได้วิสุงขามสีมาหมดเงินไปเป็นห้าล้านสิบล้านนั่นแหะมันเรียกคืนเอาหมดเลยขึ้นลงขึ้นศาลสู้เขาไม่ได้ระหว่างเขาทํานี่มันจงบัญชีการใช้จ่ายอะไรอยู่กับเขาหมดเราทําไมเราบอกว่าทําไมมันเสื่อมบาสนานพระเราเนี่ย Oh. มีเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีเหมือนกั น, เ, นเรื่องตีกลับต้องระวังมากต้องระวังให้มากจิต mm hmm. ใจของคนที่มันไม่สม่ําเสมอเนี่ยคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมจิตใจไม่สม่าเสมอจิตใจกลับกลอกต้องระวังหรือ เออถ้าเป็นเราถึงคราวอย่างงั้นเราก็จะเอาพัางเนีมันมีทํามไหมแต่พระก็คงจะเป็นพระเซ่อๆแบบเรานี่แหละนะพระนะโอ้กรรมของใครของมันเนาะเป็นกรรมของผมกรรมของผมกรรมนั่นแหละกรรมเราเซนะ่อในที่สุดเขาก็ตัดสินเจ เขาก็ตัดสินให้ชดเชยให้เขาให้หมดเลย mm. ต้องสิบกว่าล้านนะ mm. เรื่องมีอยู่จริงนี้เราพูดในแง่ว่าการตีกลับต้องระวังให้ดีนม่ mm. mm. แต่กับเพื่อนรำกันกับสามีกับภรรยารักกันมากมาก mm. เครียดกันนี่ mm. เชือดคอกันได้เลย รากตอนนั้นเหมือนสามีมันจะกลืนภรรยาไปอยู่ในท้องภรรยามันจะกลืนสามีเข้าไปอยู่ในท้องเพอเครียดกั น, นสมัติปาดขอได้เลยสับๆๆๆๆๆทำไมอ่ะเราดูที่นี่คือตีกลับมันตีกลับต้องระวังให้ดีมีในแง่ของการตีกลับต้องระวังคนอดเล่าอดพนันก็นเหมือนกันต้องระวัง เวลามันตีกลับเอามานันไม่อยู่นะเวลามันตีกลับเข้าพรรษาเข้าพรรษาอดเล่าเมื่อก่อนนั้นกินวันละคูวัดวันละขวดก่อนเข้าพรรษาก่อนนอกพรรษาพอเข้าพรรษามายุดตลอดสามเดือน พอออกพรรษาฟาดวันละสขวด <laughs> มันตีกลับนะักปฏิบัติคนหนึ่งจานเมื่อก่อนนี้ผมอารมณ์ร้อนอยู่ไกล้หมู่ใกล้เพื่อนทํางานทําการอะไรด้วยกันเนี่ยผมนี่อารมณ์ร้อนผมก็ยังฝึกฝนอารมตัวเองจนอารมณ์ผมนี่เย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงพระยะหลังมาเนี่ยผมห่างการปฏิบัติไปช่วงหนึ่ง โอ้โหทำไมผมเดี๋ยวนี้มันขึ้นมารุนแรงมากกว่าเดิมนี่คือตีกลับมันเหมือนกับจะยับยั้งไม่อยู่เลยนะคนทุกซิบคนนินทาค น, ค, นคนนู้นคนนี้ในสายงานในการทํางานนี่แหละพวกเราไม่จะผิดกันแต่ในกลุ่มงานนั่นแหละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันเน่ยจากเคลื่อนก็ไม่เข้ า, ขาจากคลายก็ไม่ออกเนี่ยนะมันกลืงแล้วก็กับครอบครัวเราเนะี่ยกับสามีกับภรรยากับลูกเราเนะี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกทําไง โลกเนี่ยทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงทั้งถนอมทั้งอะไรต่ออะไรสรารพัดเนี่ยวันดีคืนดีด้วยเหตุที่เราหามันเนี่ยอ้ามันเป็นอื่นไปแล้วโลกเราเนี่ยติดยาบา้าตายแล้ว <c oughs> ออย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม่ของตัวเองเนะ ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเด็กซสด้วยนะเด็กอายุสิบขวบเนี่ยแม่เนี่ยรักเท่าไหร่เอาคอมเอาให้เอามือถือรุ่นไหนรุ่นไหนเอาให้เอาให้เอาใ ห, เาให้เอาให้หมดแต่ตัวมันเองมันเป็นทอมทอมเนี่หมายถึงผู้หญิงมันทำตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกทอมเนี่ย มันติดกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงด้วยกันน่ะแหละมันติดแม่มันพยายามห้ามพยายามกันออกพยายามกันออกโอ้โหมันมัดไว้ในใจของมันเลยนะมันวัดมัดไว้ในใจเลยพอถึงขีดขั้นเต็มที่เลยมันมันทนไม่ไหวเลยมันทนไม่ไหววันนั้นแม่มันไปช่วยงานตีข้าวเขาขึ้นข้าวขึ้นอะไรยุคเนี้ยยุคในยุคช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ย เสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกไปทำเสร็จแล้วกินกินข้าวกินอะไรตอนอะไรกลคืนดึกๆเสร็จแล้วก็กลับมาสองทุ่มสามุมามาเขานอนอ่ะมันเป็นเวลานอนแล้วโอ้โหมันเอามีดในครวไปแล้วแทงดูไปแล้วยังไม่ตายอีกจึกตรงนี้เลยหมุนมันจะเหลือเลยเหลือไหมเราคิดว่าเหลือไหมไม่เหลือแหละเผาเนี แม่กับลูกนะลูกสาวไม่ใช่ลูกชายด้วยนะมันดึงผ้าดึงไรออกหมดลากาไปไว้ข้างนอกลากเอาไปไปไว้ไว้นอกบ้านมันเอาผ้าที่ดึงออกนี่มาเช็ดเช็ดเช็ดเช็ดเช็ดเลือดมันเอาไปยัดไปในตู้เวลาเขาไปสอบสอบไปสอบมาสอบมาสอบไปโอ้มันแข็งหนาดู แต่เขาได้รับโทษแค่คุมประพฤติแปลงมากไหม mm hmm. เพราะเด็กเพราะเด็กนี่เราพูดมาเป็นอุทาหรณ์นะเราพูดถึงความตีกลับนะให้เราระวังให้ดีก็แล้วกันเราเราจะป็นจะต้องมีสติทุกระหว่างทุกขณะก็แล้วกันเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้น เรื่องเพลินเรื่องเบญเรื่องภัยเรื่องบาปเรื่องกรรมสิ่งวัิตตามตัวเราต้อยต้อยต้อยต่อยต่อยต่อ ย, อยกรรมเกิดขึ้นในทุกขณะทุกกิริย า, าการกิริย า, าการของกายก็คือกรรมกิริยาการของใบจาก็คือกรรมกิริยาอาการของาจิต ก, ก็คือกรรมกรรมก็คือกิริยาที่มันทํางานนั่นแหละพึงตั้งสติกำหนดจดจอ่อพิจารณาให้เห็นชอบ ด้วยปัญญาแล้วเราค่อยสร้างพฤติกรรมเหล่านั้นเอาวิธีคิดแบบนี้มากํากับกับชีวิตจิตใจของเราเองเราถึงจะพัฒนาไปจากจุดที่เละๆเหลวๆ ล, ล, ล, ลมๆตัวนี้ลุกออกไปได้ไม่งั้นไปไม่ได้นี่เราพูดพอเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราพวกเรายัางไงก็เป็นนักที่จะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นจริงว่าอันพลน้อยที่พวกเราเคย ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ต้นพูดธรรมะมาจนถึงวาระนี้นี่มันก็จะสี่มองครึ่งแล้วนะก็น่าจะพอสมควรก่เวลาลูงพ่อนี่ก็หมดน้ำไปหลายแก้วแล้ว